บทภาชณีติกะภาจิตตีกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องต้องอบัตปภาจิตติเพราะกล่าวให้ผู้อื่นเพ่งโทษเพราะบ่นว่ากรรมที่ทำถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัติภาจิตตีเพราะกล่าวให้ผู้อื่นเพ่งโทษเพราะบ่นว่ากรรมที่ทำถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องต้องอบัตปภาจิตตีเพราะกล่าวให้ผู้อื่นเพ่งโทษเพราะบ่นว่าทุกกฎ ภิกษุกล่าวให้ผู้อืนเพ่งโทษหรือบ่นว่าอนุปสัมบันต้องอบัติทุกกฎภิกษุต้องการจะทําให้เสียชื่อต้องการจะทําให้อภัยยศต้องการจะทําอุปสัมบันที่ทรงไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่จัดแจงเสนาสนะแจกพระทหารแจกข้าวต้มแจกผลไม้แจกของเคี้ยวหรือแจกของเล็กน้อยให้เกอ้อเขินจึงกล่าวให้ภิกษุทั้งหลายเพ่งโทษหรือบ่นว่า Ios, อุปสัมบัติหรืออนุปสมบัติต้องอาบัติทุกกฎภิกษุต้องการจะทําให้เสียชื่อต้องการจะทําให้อภยศต้องการจะทําอนุปสัมบัติที่ส ง, ต ง, ตงตแต่งตั้งก็ตามไม่ได้แต่งตั้งก็ตามให้เป็นเจ้าหน้าที่จัดแจงเสนาสนะแจกพระทหารแ จ, าแจกข้าวต้มแจกผลไม้แจกของเคี้ยวหรือแจกของเล็กน้อยให้เก้อเขินจึงกล่าวให้ภิกษุทั้งหลายเพ่งโทษหรือบ่นว่าอุปสัมบัติหรืออนุปสัมบัติต้องอาบัตทุกกฎ คำที่ทำไม่ถูกต้องพิกษุน์สำคัญว่าเป็นกรมทีกก่ทำถูกต้องต้องอบัติทุกกฎกรทมรที่ทำไม่ถูกต้องพิสูจไม่แน่ใจต้องอบัติทุกกรคำที่ทำไม่ถูกต้องพิกษุน์สำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องต้องอบัตทุกกฎ